ปานดุดบรมกษัตริย์ตรัสรรเสริญกำลังม้าของพระองค์ฉะนั้นอันหนึ่งสมเด็จพระสัพพัญยูตรัสชะนี้จะยินดีที่จะอยู่ไปในพบหามิได้อันนัตติโกสมเด็จพระวิชัยมานมิ่งมะกุฎวิสุทธมุนีมิได้ยินดีมีประโยชน์จึงตรัสยกโทษพบทั้งสามว่าชั่วช้าสามานพาสิตังเจตังมหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโลกกานาตศาสดาจารย์โปรดประทานด้วยวาระพระบาลีว่าเศยยถาปิพิข เ, เวอั ป, ปมัตตะโกปิคูโถ ท, ทุขันโทโหติเอวะเมวะโขอะหังพิข เ, เวอั ป, ปมัตตะโกปิภวังนะวันเนมิอันตมโสอัชระสังคาตะสะดังนี้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 สมเด็จพระอนาวรณญาณทัศนาการเห็นพบสงสารปานดุดของเน่าของเหม็นชะนี้จะอาศัยพระฤทธิ์แล้วมีจิตกลับกำนัดยินดีในพบหรือประการใดสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ตรัสว่าหาไม่ได้พบนี้ถึงพระองค์มีฤทธิ์รักษาให้สถิตยอยู่ไปได้ก็ไม่มีอะไรอาวร์พระนาคเษนถวายพระพรว่าเหตุดังนั้น